แนะนำบทอัลอาลาบทอัลอาลาเป็นบทมั ก, กียะมี19องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆโดยย่อดังนี้หนึ่งองและคุณและลักษณะบางประการของอัลลอ์และหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของพระองค์ 2. องค์การอัลกุรานที่ถูกประธานลงมาแก่าศาสนาทูต ท, ท่านสุดท้าย3คําแนะนาอันดีที่ จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้สนใจและศรัท ธ, ธาจะได้รับประโยชน์บทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอ์ซึ่งทรงสร้างและทรงทำให้มันดีขึ้นทรงสร้างและทรงทำให้สวยงามทรงให้หญ้าและพืชผักงอกเงยออกมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่พวงเบาบทนี้ได้ใช้ให้ตักเตือนกันด้วยอัลกุรอานซึ่งบรรดามุสิมผู้ศรัท ธ, ธาจะได้รับประโยชน์จากทางนำของอัลกุรอาน และบรรดาผู้ยำเกรงจะรับบทเรียนจากการชี้นำของอัลกุรอานบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงชัยชนะของผู้ที่ขัดเกลาวตัวเองจากความผิดและโทษต่างๆด้วยผลงานที่ดี ด้วยพระนามของอัลลอฮผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสสมบบจงแท่สองสะดุดีพระผู้อภิบาลของผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์ ผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้ทางนำและผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมาให้เป็นอาหารของสัตว์แล้วทรงทำให้มันเป็นสังแห้งมีสีคล้ำเราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าก็จะไม่ลืม เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮประสงค์แท้จริงพระองทรงรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้นเราจะให้ง่ายแก่เจ้าซึ่งบัญยัติศาสนาอันง่ายได้ดังนั้นเจ้าจงตักเตือนกันเถอ เพราะการตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์คนที่หวาดกลัวจะได้รำลึกและคนที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในกองไฟใหญ่แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วยลบ แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุสู่ความสำเร็จแล้วเขารำลึกถึงพระนามของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาทำละมาหา์ดดาาาหามไม่ได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากทาั้งทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและยั่งยืนกว่า แถ้จริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคำพีก่อนๆมาแล้วคือคำพีของอิบราฮีมและมูสา